ต่อไปนะครับเมื่อพูดถึงการบอกปริสุทธิ์การบอกปริสุทธิ์บรรดาปริสุทธิ์อุโบสถและอธิฐานอุโบสถนะครับปริสุทธิ์อุโบสถแบ่งเป็นสองอย่างคือปริสุทธิ์หรือว่าบริสุทธิ์นะบอกปริสุทธิ์ก็คือบอกความบริสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ตัวเองบริสุทธิ์อาบัติเนี่ยนะถ้จะมีการบอกถ้าแบ่งเป็นสองครับคือหนึ่งการบอกปริสุทธิ์กับที่สุเหล่าอื่น สการบอกปริสุทธิ์ที่ต่อกันและกันในปริสุทธิ์อุโบสถทั้งสองนั้นถ้าพิสุทธ์ไม่ครบองคสงมี3และ2รูปใช่ไหมเราไม่สุกปฏิโมกแต่เราจะทําปริสุทธิ์อุโบสถแทนปริสุทธิ์ที่ที่บอกแก่พิสุทธ์เหล่าอื่นนะครับมี2คือบอกแก่พิสุทผู้ปวานาแล้วและแก่พวกพิสุทที่ยังไม่ได้ปรวรณา สำหรับปริสุทธิ์ที่อุโบสถที่บอกกับพิสุขผู้ปร a รณาและไม่ได้ปร a v a n นั้นเนี่ยท่านจะที่บา่าวว่าเป็นยังไงอ่ะพิสุขผู้จําำรรษาหลังก็ดีผู้ไม่ได้จําพรรษาก็ดีนะครับผู้มีภรษาขาดก็ดีหลังจากให้กายสามัคคีแล้วเข้าร่วมปร a รณากรรมของพวกพิสุขที่จำภรษาแรกพึงทําปริสุทธิ์ที่อุโบสถในสํานักของพวกพิสุขผู้จําำรรษาแรก ซึ่งได้ปวรณาในวันมหาปวณาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยการสามพังว่าอย่างนี้นะครับเราเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่เดือนแปดใช่ไหมครับวันปวนาพรรษาของเราคือของทานี่จำพรรษาแรกนะคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับทีนี้วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยในบางที่ไม่ได้มีเฉพาะพิสูจน์ที่จำพรรษาแรกอย่างเดียวอย่ในโบนั้นนะครับ ยังมีพิสูจระจาษาหลังเข้าร่วมด้วยพระที่ไม่ได้จำภาษาอะไรก็มีเข้าไปรว่วมมรสน้วยนะครับแล้วก็พาะที่มีภาษาขานก็ดีพระภาษาจำพวกเนี่ยจะมานะครับปรวานาร่วมกับเราไม่ได้จะมาเปล่งคํำปรณนาด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแต่ว่าข้อยกายสามะคีนะเข้าร่วมปรวานานนได้แต่เขาไม่ได้มีสิทธิจะมาเปล่งคํำปรวานาานี้นะครับแต่เข้าร่วมอัตบ่ายเฉย อย่าง น, นนะทีนี้ทํำยังไงครับเมื่อมีอย่างนั้นที่สุดที่จําำรรษาแรกนะครับก็โปณนานก่อนเลยส่วนโปณานเลยนะสุนะตุเมพันเตสังโคอัชชะปะวารนาปันนาละศีก็ว่าไปนะครับนีอย่างนี้แทนแล้วก็โปณนานกันแต่ละรูปทช่นแบบพาสเไ ล, ะละ่ไปใช่ไหมโปณ า, าอะไรนะครับสังคังพันเตนะปะวารเลมิ ทิเทนะวาสุเตนาวาปริสังกายาวาวาทันตุมังไอสมะโตอนุกรมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริษานินะครับนั่นนะปวณาอันนี้คือพิสูจน์ที่จำพรรษาแรกนะครับจะเป็นคำปวณาอย่างนี้ในวันปวนาพรรษาคือสิบห้าถึงสิ1เทีนี้ผู้ที่จำพรรษาหลังก็ดีภรรษาขาดก็ดีครบไม่ได้จำพรรษาก็ดี เมื่อพิสูจน์จำภาษาแรกได้ภาวนาเรียบร้อยแล้วที่สูัานั้นที่เหลือครับ <c oughs> ก็จะทําปริสุทธิ์อุโบสถคือบอกปริสุทธิ์ที่นะครับบอกปริสุทธิ์ที่นะเมื่อเข้าภาวนาเสร็จแล้วใช่ไหมพวกนี้ก็บอกปริสุทธิ์ที่ต่อไม่ต้องตั้งติไม่ต้องอะไรครับบอกปริสุทธิ์ที่ต่อเลยนะครับโดยการถามครั้งว่าปริสุทธโธอหังทันเตปริสุทธโธติมังธาเรตะถามครั้งฮะ ว่านะครับรทราบตั้งเลยท่านเจริญกระผมบริสุทธิ์แล้วขอท่านทั้งหลายจงจํากระผมว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับเนี่ยแต่เราเปลี่ยนเป็นภาษาภาษาบาลีนะครับนี้เป็นไปในกรณีที่ผู้สุขจำภาษาหลังเป็นต้นมีจํานวนน้อยกว่าผู้จำภาษาแรกนะอันนี้นะครับถ้าพระจำภาษาแรกมีจํานวนมากกว่าหรือว่าเท่ากันใช่ไหมกับผู้จำภาษาหลัง แต่วันนี้เป็นวันตัวนาออกพรรษาสิบห้าข้าสิบเอ็ดใช่รับวันตัวนาอพรรษาแรกนะพิสุผู้จำพรรษาแรกน่ะจะมีสิทธิ์ได้ตัวนาก่อนส่วนผู้จำพรรษาเหลือนะครับที่จำพรรษาหลังนะก็จะบอกไปสุดที่ที่หลังพราถือว่าจำพรรษาแรกเนี่ยมีมากกว่ารู้เท่ากันนะครับจึงมีสิทธิที่มากกว่าเพราะวันนี้เป็นวรนตันาของเขาด้วยนะแต่ถ้าจำพรรษาแรกมีดุลน้อยกว่าครับ วันปวนาแหละเราจิได้ปวนาวันนี้นะครับแต่พวกเราพวกน้อยกว่านะครับอผู้จับมารษาหลังมีจํำนวนมากกว่านี้ทํามเนียร์ทาบอกว่าแต่ถ้าพว้จับมารสาแรกน้อยกว่ากว่าผู้ที่จับมรษาหลังต้องสวดปฏิโมกก่อนนะครเราจะต้องอนุญาตให้ผู้ที่จับมรษาหลังนะสวดปฏิโมกก่อนถ้านี่วันนี้เป็นวันโวนาของเรานะแต่จับมารสาหลังเขามีมากกว่าเขาก็องได้ทำกลรงเข้าก่อนนะครับ ผู้จำมาศาหลังเขาจะยังไม่ปรนนาวันนี้นะเ<ม>ขาจะไปปรนามเวลากระทงหนุนทอสิบห้าเข้าเด็อนสิบสอง 12. ใช่ไหมปรนประทงนะครับแต่วันนี้ต้องเขาเขาต้องสุดปฏิโมกให้เขาสุดปฏิโมกไปก่อนนะครับเสร็จนะทีนี้พวกที่จำมาศาแรกก็บอกปรน า, าทีหลังนะครับบอกวรน า, าีหลังแต่ว่าบอกปรนาเป็นอย่างเดียวไม่เป็นต้นประจักษ์นิสีตนะครับ<ม>สุนนาตุม้มย์พันเตซังคุไม่ต้องแล้วนะครับเพราะฉนั้นจะบอกว่า ท่านจะไม่ให้ตั้งยตินะครับปาติโมกและโวรานานะั้นสองอย่างในสีมานิกันคือในวันนั้นนะครับถ้ากลุ่มนี้เข้าตั้งอยติปาตั้ง ญ, ต, ต, งญติปา ต, าตปาิโมกแล้วนะีกลุ่มหลังจะไม่ตั้งยติโพร า, าอีกหรือว่ากลุ่มแรกตั้งญติโวร า, าแล้วกลุ่มหลังก็จะมี ก, า, การตั้งยติปาติโมกไม่มีครับแค่อันเดียวอย่างนี้นะสรุปแล้วต้องให้พวกที่มีจํานวนมากกว่าทํากรรมของตนก่อนนะครับ ผู้ที่จำนวนน้อยกว่าทํากรรมเหมือนตนทีหลังถ้าเราถามอาะไรเท่าการทําไงถ้าเท่ากันเราก็ดูว่าวันนั้นนะ่ะเป็นวันปรณาของผู้จำพรรษาแรกหรือว่าจำพรรษาหถ้าเป็นวันปรณาของพวกจำรรษาไหนพว้ที่จำพรรษานั่นไหนเขาจะมีสิทธิ์ในการได้เกาะนะครัถ้าเท่ากันนะครับ mm hmm. ถึงว่ายกตัวอย่างนะพวกที่จําพรรษาแรกใช่ไหมค า, ามากกว่าหรือว่าเท่ากัน วันนี้เป็นวันภารณาแรกนะครับผู้บบริจมรนสาแรกจะได้ภารณาก่อนผู้บบริจมรรษาหลังนะครับถึงแม้ครบอง์สงก็จะไม่มีการสวดปฏิโมกเพราะจะไม่มีการสั้งยติภาวนากับปฏิโมกพร้อมกันในสีมานเดกกไม่มีเมื่อเข้าไปสวดปฏิโมกขเาจะต้องทํำยังไงเขาต้องบอกปริสุธทธิ์แทนนะครับบอกปริสุธทธิ์สามครั้งที่ท่านว่านะปริสุทธโอหังบันเตบอกปริสุธทธิ์ไปนะครับสามครั้งแค่นี้เอง นะครับทีนี้ถ้าพวกจําพรรษาหลังเกิดมากกว่าเราก็เปิดโอกายให้ผู้จำพรรษาหลังะสวดปฏิโมกขเข้าไปก่อนนะครับสวดไปเลยเมื่อเข้าสวดปฏิโมกเสร็จแล้วผู้จำพรรษาแรกเป็นวันปออนาเข้าใช่ไหมก้อนเขา้าปออนาเหมือนกันแต่ไม่ต้องตั้งจิตนคะครับก็ปออนาไปเลยส่วนพิสูจน์ผู้จําพรรษาแรกก็ดีนะครับไม่ได้จํ า, าก็ดีมีพรรษาขาดก็ดีพึงทำริสูจน์ที่อุโบสถ โดยในนั้นเหมือนกันในสำนักของพวกวิสุขผู้ได้ปวณาในวันปวณาหลังคือขึ้นสิบห้าเท่าเดียวสิบสองนะครับอันนี้ก็ทำนองเดียกันถ้าเป็นวันปวณาหลังใช่ไหมครับพวกวิสุขจำราษาหลังเนี่ยหือว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากันก็จะมีโอกาสได้ปวณาก่อนใช่ไหมครับส่วนพวกที่เหลือจำภรษ า, าแรกไม่ได้จำด้วยภาษาขาเนี่ยก็ให้บอกผลิตุทธี่นะครับในสำนักของพวกจำภรษ า, าหลัง ก้อนนี้เป็นวันโพานาขผู้จำพรษาองเยอ่คือทำเหมือนกันตั้เมื่อกี้ไะครับ่อไปก็เว้นวันปรนาเสียในการอื่นนะครับพอพิสูจเจ้าถิ่นสวดปาฏิโมกเสร็จแล้วหมู่พิสุยังไม่ลุกขึ้นไปก็ดีบางพวกลุกขึ้นไปแล้วก็ดีนะครับลุกขึ้นไปทั้งหมดก็ดีพิสูจพวกอื่นมาทีหลัง มีจํานวนเท่ากันก็ตามน้อยกว่าก็ตามมาถึงต้องบอกปริสุทธิในสํานักของพิสูจ์เจ้าถิ่นนั้นตามวิธีที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าพวกมาทีหลังมากกว่าต้องสุดปฏิโมกใหม่นะครับอันนี้จเป็นยังไงอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่พูดถึงวันปวนาแล้วนะเอาวันปฏิโมกธรรมดานะครับมีพิสูจน์เจ้าถิ่นนะั้นแล้วก็พิสูจน์ที่มาทีหลัง ก็ยินพุทธเจ้าถือ ด, ด้วยกันแหละแต่ว่าเขาไม่รู้กันนะครับถ้าในวัดทั้งหมดนะมีอยู่ทีนี้มีผ้าอยู่กลุ่มหนึ่งครับเข้าไปนอกสีมานะไปที่หมู่บ้าน ไ, ไปป่าบ้านไปกินมอไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้พู้ที่อยู่วัดก็เขาเ้าใจว่าพระพร้อมเพียงกันแล้วนะครับเข้าใจว่าพระพร้อมเพียงกันแล้วนะก็เลยเข้าไปในสีมานะครับไปสวดปาฏิโมกข์กันนะครับสุนะตุเมพันเตสังโคนะครับ กลังตั้งอิทธินะเป็นใต้ ต, ติเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผู้ที่ไปกินหมดหรือว่าไปป่าไปหมู่บ้านก็ได้แต่กลับมานะครับเข้ามาในเขตสีมาด้วยนะ<อ>ไม่ใช่เข้ามาในเขตว่านเฉยๆนะครับเพราะสมัยก่อนสีมาเข้ากว้างบาทีทั้งวันอะไรสึงมันเป็นสีมาใช่ไหมครับเข้ามาในเขตสีมาแล้วนะครับแต่ผู้ทริษะสุปฏิโมกไม่รู้นะว่าอีกที่สุดผู้นี้เนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าหาธรรมา น, นะเข้ามาในเขตสีมาเขาไม่รู้นะครับถ้านก็สวดท่านไปเรื่อยนะครับ ตัวนจนตรงนั้นแ่ะส่วนปฏิโมกเสร็จแล้วครับทางจบเลยถึงรู้ว่าพวกนี้ถึงเข้ามาในขัตบาทนะครับตอนแรกเขเข้ามาในในสีมาแล้วนะในเม่อสัทีนี้แล้วค่เข้าม า, นมาเนี่ยขัตบาทเขรู้อ้าวเนี่ยโอ้มีท่าอยู่ในสีมาด้วยหรือที่เราสุดเมื่อกี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ทํำยังไงดีถ้าบอกว่าต้องดูว่าพวกไหนมากนะครับพวกไหนมากนะถ้าที่สุดเจ้าถึงพวกที่สุดปฏิโมกเสร็จแล้วนะ มีจำนวน ม, มากกว่านะครับไม่ต้องสุดปฏิโมกใหม่มีจำนวน ม, มากกว่าก็ดีเท่ากันก็ดีนะครับไม่ต้องสุดปฏิโมกใหม่การที่ทําไปแล้วถือว่าเขสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผู้ที่มาถึหลังก็ให้บอกปริสุทธิ์ที่แทนนะครับ <c oughs> บอกปริสุทธิในสํานั้นของวิสุขพวกนั้นแหละนะครับถามว่าอย่างนี้กรรมไม่เป็นว่างหรืถ้านี่กําลังสุดปฏิโมกแหละมีวิสุขพวกหนึ่งไม่ได้เข้ออาธรรมมาอยู่ในสีมานะครับมันกรรมไม่เป็นว่างนะครับ เพราะว่าตอนที่เราตั้งยศตีเรียบร้อยแล้วข้าวิงไม่เข้ามาในสีมานะครับนะแต่ถ้าตอนเราตั้งยศตีปุ๊บข้าวเข้ามาในสีมานะั้นไม่ได้นะตอนนี้เป็นวะแต่นี้เราตั้งยศตีก็เรียบร้อยแล้วนะครับ้เขาเข้ามาในสีมาทีหลัง ม, มีปัญหา ม, มีปัญหาครับถ้ า, จาถนนเจ้าขีนมันจะมีจะมีสิทธิพิเศษได้เยอะน ะ, ะมากก็ดีนะครับเข้ากันก็ดีนะก็ไม่ต้องสวดใหม่สมมุติว่าเรายัางสวดไม่เสร็จล่ะอ้าวกาลังสวดอยู่นะเข้าปัจจุมองนะ ปลาปาติโมกุเทโซนี้ถี่โตพวกเข้ามาเข้ามามีน้อยกว่านะครับ<ม>เข้ามานั่งฟังต่อได้เลยนะครับเข้ามานั่งฟังต่อได้เลยนะถ้ามีมากกว่านะครับกําลังสวดก็ดีสวดเสร็จแล้วก็ดีนะ<ม>พวกที่มาที่หลังมีเงินมากกว่านี่ทํายังไงดีอันนี้ก็สวดปฏิโมกข์ใหม่นะครับสวดใหม่เริ่มใหม่เลยนะครับพอถือว่าพวกที่มาที่หลังมากกว่านะ<ม>อนีอ้ทุกขั้นตอนเลยนะครับสวดปฏิโมกข์เสร็จแล้วก็ดี นะครับหรือว่าส่วนเสร็จแรกยังไม่ลุกขึ้นไปนะครับส่วนเสร็จแล้วมองพวกกับกุติไปแล้วมองพวกยังอยู่หรือว่ากับกุติไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะทุกกรณีเลยนะครับนะมีพวกก็เข้ามาอีกเข้าเข้ามาในสีมาตั้งใจที่เราสวดยังไม่เสร็จตอนนั้นนะอันนี้ก็ให้ทำเหมือนกันนะครับถ้าที่มาทีหลังเนะรับเท่ากันหรือว่าน้อยกว่ามาถึงก็ต้องมาบอกบริสุทธิ์ที่แทนนะครับ ในสำนักมีสุขจ้าถิ่นนะแต่ถ้ามากกว่านะก็ต้องสุกปฏิโมกกันใหม่ค่ับโหลาบากนะลุกไปหมดแล้วนะต้องไปเรี่ยวมานั่งสุดนี่บอกเพราะถือว่าตอนนี่นเรากระลำสวนะ่วน่ะเข้าเข้ามาเนี่ยสบายนะครับก็เข้ามาในสีมานะที่เขาทำทำซ้ำไม่ได้เลยไหอ๋อ <c oughs> ทําซ้ําได้ครับเพราะนี้พ <c oughs> <ำ>่อมันไม่ได้เป็นยติปฏิโมกกับปอนานะหมายหมายถึงว่าหลัง มีมีพระเจ้าขินเนี่ยทำแล้วเสร็จแล้วไปแล้วแล้วก็มีพาสมาใหม่คยู่เอเป็นกลุ่มอะไรเนี้ยโอ้อันนี้ก็ถ้าเขาไม่ได้เข้ามาหรือมาก็ไม่เข้าขาตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเข้ามาถึงถึงว่าแกมไม่ได้ลงปฏิโมกก่อนเข้าเข้ามาเขาก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้เข้าไปในบมวดขงเราด้วยใช่ไหมครับเราสุดปฏิโมกต์งมว่าตั้งแต่เช้าก้าวโงช้ารียบร้อยแล้วเข้ามาทีงหลังเขายังไม่ลงปฏิโมกเลยเขาจะทํายังไง ก็ให er, uh ้มาบอกปริสุทธิ so, you know, ์ที come, so, ่นะครับกับพ like oh, so, ่ารูปไหนก็ได้ที่ลงปฏิโมกมาแล้วแต่ไปบอกปริสุทธิ์ที่ในโบกนะให้บอกข้างนอกไม่ได้นะครับใหบอกไม่สุทธิ์ที่ในโบสถ์แต่จะว่าเป็นคทำซ้ำอีกไม่ได้อ๋อก็คือไม่จะเป็นต้องไปทำซ้ำนั่นแะครับเพราะว่าจะกที่เราส่วนนะพวกนี้ไม่ได้เข้าไปในสีมานะไม่ได้เข้าไปในสีมารูกว่าจะพระที่อื่นมาขอทำอย่างนี้ยครับอ๋อมาขอทำในบกถ์ของเราใช่ไหมครับเพราะเขาก็ครบขน้าของเหมือนกัน อ๋ครับมาทําซ้ํานะความจริงก็ที่เราบอกว่าซ้ํากันไม่ได้เฉพาะปาติโมกับปวานาครับที่จะตั้งยติซ้ํากันไม่ได้ครับที่ปาติโมกนี้ก็ม่ได้ห้ามนะไม่ได้หนะ้าที่ว่าให้มาทนะําซ้ำหรือว่าสองกลุ่มอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะห้านะครับห้ามแต่ว่าห้าไอ้ปาติโมกับปวานาไม่ได้คุณตั้งยติได้นะตั้งยติได้แค่อันใดอันหะนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคืเช่นปวนา ปอนาก็ไม่ต้องตั้งยันติดแล้วแต่นี่ก็ทำเหมือนกันเงนี้ยแต่ว่าถ้าจะครับะน้องนะปฏิบัติบอกเรียบร้อยแนละ้วไปครับอันนี้น่ารู้แล้นะครับบอกปริสุทธิ์ยังไงปริสุทธิ์อันแรกนะอันนี้เขาเรียว่าปริสุทธิ์ที่บอกกับพิสูจนเหล่าอื่นนะครับลักษณะนี้ส่วนปริสุทธิ์ที่อุบบสถที่ทําโดยการบอกกันเองมีสองอย่างคืออันนี้ในกรณีที่ในวัดเรามีข้าไม่ครบสีรูปนะ เราก็ต้องบอกปทำรูปสิวบวชสดนะครับหนึ่งแบบตั้งยติสองแบบไม่ตั้งยติในสองแบบนั้นวัดใดมีพิสูจอยู่สามรูปะครับหลังจากพิสูจน์เหล่านั้นประชุมกันแล้วในวันบวชสดมาประชุมกันนะทําำสามบวชอะไรทั้งหมดนะครับเหลือสามก็ทำสามรูมนะ <c oughs> ันแหละเหนือยก็เหน่อยนะแล้วแต่นะแต่ต้องทำนะเมื่อพิสูตรูปหนึ่งนี่มีสามถ้ามีสามปุ๊บต้องการตั้งยตินะครับ เมื่อพิสูร่วมหนึ่งสวด ป, ประกาศพร้อมกับยติสวด ป, ประกาศนะครับพร้อมสับยติว่าสุนั้นตุเมอิสมันตาอจุโสรถโทจาตุทโสยธายสมันต า, า, ต า, น, ตานังปะตะกัลังมายังอัญญามันยังปริสุทธิอุโปรสรทังกันเล ย, ยามะท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านจงฟังข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุโบสถสี่ข่ำถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว ขอเชิญพวกเราทำบริสุทธิอุโบสถต่อกันและกันเถิด น, นี้บอกกันเองนะแต่ถ้าเป็นวันสิบห้าค่ำแล้วก็เปลี่ยนคำสวดเสียนะครับว่าสุนั้นตุเม์อายตมันตาชุปโปสถุปัน น, นโรโสนะครับที่เดิมเหมือนกันท่านผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านจงฟังข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำนะ จากนั้นพิสูทธิ์ผู้เป็นพระพเถระห่มผ้าเฉียงบานั่งกระโยงระครองอัญชลีแล้วพึงกราบสามครั้งว่าก็จะให้พระเถละเป็นคนบอกบริสุทธิ์ที่ก่อนบริสุทธิ์โทอหังอวุโสบริสุทธิ์โทติมังฮาริตาผู้มีอายุกระผมบริสุทธิ์ขอพวกคุณจงจําไว้ว่ากระผมเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามครั้งนะครับไม่ครั้งนี้ไม่ได้นต้องว่าสาครั้งเลย พิสูตสองรูปนอกนี้พึงกล่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับพระสีณาว่าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไล่ต่อไปตามภรษานทะั<ม>้งสองรูปที่เหลือโดยเปลี่ยนจากคําว่าอามคำว่าอามุโสก็ใช้เป็นคําว่าพันเตแทนนะครับเพราะตนภรษาน้อยกว่าก็จะเป็นปริสุโทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังธาเนธาพิสูตสามรูปพึงทำปริสุธิ บ, บดดวชสถโดยการตั้งยติตามวิธีที่กล่าวมาอย่าง มันจะมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นน่ะที่นั่นไม่มีใครสวดปฏิโมกข์ได้เลนะครับแล้วพอถึงวันอุโบสถทํำยังไงก็มีผ้าที่เป็นที่ ป, ประทานสองอย่างที่นั้นนะมีผ้าอยู่สี่ถ้าสุดปฏิโมกข์ไม่น่าทำยังไงพอวันอุโบสถปุ๊บท่านเกอะไปที่หยุดอย่างเงี้ยแต่ดูไม่คือนะ <c oughs> วันอุโวสถก็จะทําอย่างเงี้ยาก็จะไหวอย่างงี้แหละแล้วก็ยยวกเปิดหนังสือก็ไม่เห็นมีห้าหนะไม่เหมีห้าไม่ได้จริงๆเปิดหนังสือ <c oughs> ว่าเลย กล้าตามแบบท้านบอกว่าให้ส่งพิสูรรูปหนึ่งไปเรียนมาในวันนั้นเลยเน่ะให้ได้นะครับ <c oughs> ถ้าสูดไม่ได้สมัยนี้ทํายังไงแล้วก็ไป น, นิมนต์พิสูรองค์ปฏิโมน่สวดได้ใช่ไหมให้มันสูดให้ที่วัดเราครับถ้าไม่ได้จริงทําไงแล้วก็พาคณะของเราเนี่ยไปลงปฏิโมในวัดที่เขาสูดปฏิโมได้นะครับสมัยนี้สบายนั่งรถไฟใช่ไหมครับวันจะตายในไงวันเดียวกับทันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจงใจไม่ลงปฏิโมเลยไม่ได้นะ โดนนะครับเป็นอาบัต น, นะครับไม่เชื่อปฏิโมทย์เฉพาะในภาษานะต้องตลอดแล้วดูการนะครับในวันมัวสดเนี่ยมันต้องลงปฏิโมทย์ตลอดครับต่อไปอส่วนวันใดมีพิสูจอยู่สองรูปพิสูจนสองรูปนั้นไม่ต้องตั้งยติไม่สบายครับไม่ต้องตั้งยติแล้วนะไปถึงก็ น, นะครับทงความสาอาดบนนี่คือเหมือนเดิมนะนะครับแล้วปองอาบกอาบัตนะครับทําผู้หญิงพวกกรปองอาบัตเรีบยออบร้อย แล้วก็บอกปริสุทธิ์ที่ได้เลยครับตามวิธีที่กล่าวมาแล้วในการทำปริสุทธิ์อุโบสถของมิสุสารูปนั่นแหละนะครัอบอกปริสุทธิ์ได้เลยอุโบสถที่ว่ามานี้ชื่อว่าปริสุทธิ์ที่อุโบสถจำไม่ให้ดีนะมันที่ผมก็ลืมจำคำนี้ให้ดีนะปริสุทธิโทอาหารอุโบสถปริสุทธโทติมังคารีธาหรือถ้าเราคิดวาจำไม่ได้เอาเล่อนี้ไปด้วยไปไหนในที่ว่าเราจะไม่ข้อองสงใช่ไหม นะครับแล้วมันต้องทำวอ่นส่วนยังไงเนี่ยว่ากางนี้นะครับงานจะบอกให้หมดแหละทำบริสุทธิ์ที่ยังไงทิฏฐายังไงทำในนี้หมดนะครับ